ขัชนียวัคหมวดว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกินหนึ่งอัสสาทสูตรว่าด้วยคุณของขัน7จสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุทุชนผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริง เวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงอาสาทสูรที่หนึ่ง 2. สมุทัยสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันเจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นความดับ คุณโ person, ugh, ทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับรู้ชัดความเกิดขึ้นความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูป เวทนาสัญญาสังขารรู้ชัดความเกิดขึ้นความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงสมุททยะสูตรที่สองจบสามทุติยสมุททยะสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันสูตรที่สอง 75. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุททั้งหลายอริยาสา ว, วกผู้ได้สดับรู้ชัดความเกิดขึ้นความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารรู้ชัดความเกิดขึ้นความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงทุติยสมุทธยสูตรที่สามจบสอาอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์เจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน้า ย, ย่อมคลายกำหนดเพราะคลายกำหนดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแลกรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วหยุดจบพรหมจรรย์แล้วทรรมกิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุททั้งหลายพระอาราันทั้งหลายเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกกว่าสัตว์ในสัตว์ตาวาดและภวคภพพระผู้มีพระภาคผู้สุคศสาสดาได้ตรัสวยากรณภพาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า พระอาหารหันต์ทั้งหลายมีความสุขหนาเพราะท่านไม่มีตัณหาตัดอศสมิมานะได้เด็ดขาดทำลายข่ายคือโมหะได้แล้วพระอาหารหันต์เหล่านั้นถึงความไม่หวั่นไหวมีจิตไม่คุณมัวไม่แปดเปื้อนในโลกเป็นผู้ประเสริฐไม่มีอสวะเป็นสัตตบรุษเป็นพุทธบุตร พุทธโอรสกำหนดรู้ขันห้ามีสัตว์ธรรมเจ็ดประการเป็นโคจรควรสารเส ร, ริญท่านเป็นวีวรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ได้รัตนะเจ็ดประการสำเนียกแล้วในไตรสิกขาละความกลัวและความสะดุ้งกลัวได้เด็ดขาดแล้วย่อมเที่ยวไปโดยลำดับท่านมหานาคผู้สมบูรณ์ด้วยองค์สิบ มีจิตตั้งมั่นประเสริฐที่สุดในโลกเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีตัณหามีอาเซขยานเกิดขึ้นแล้วมีร่างกายเป็นร่างสุดท้ายไม่ต้องอาศัยผู้อื่นในคุณที่เป็นแกนสารแห่งพรหมจรรย์ท่านเหล่านั้นไม่วันไหวในส่วนทั้งหลายพ้นจากภพใหม่ถึงทันตภูมิชนะเด็ดขาดแล้วในโลก ท่านเหล่านั้นไม่มีความเพลิดเพลินอยู่ในส่วนเบื้องบนท่ามกลางและเบื้องล่างเป็นพุทธะผู้ยอดเยี่ยมในโลกย่อมบรรลือศีหนาฏอรหันตสูตรที่สจบห้าทุติยะอรหันตสูตร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 เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพระมจา์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกกว่าสัตว์ในสัตว์ตาวาสแล ะ, ะ, วะภวคภพ ทุติยะอรหันตสูตรที่ห้าจบหกสีหาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพยาราชสีเจ็ดสิบแปดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลาเย็นพยาราชสีออกจากที่อาศัย บิดกายชำระลืองดูรอบๆทั้งสีทิศบรรลือสีหนาสามครั้งแล้วหลีกไปหาเหยื่อโดยมากพวกสัตว์ีรัจฉานทุกหมู่เหล่าได้ยินเสียงพญาราชสีบรรลือสีหนาสย่อมถึงความกลัวหวาดหวั่นและสะดุง้งสัตว์พวกที่อาศัยอยู่ในโพรงก็หลบเข้าโพรงพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำก็ดำลงในน้ำ พวกที่อาศัยอยู่ในป่าก็หนีเข้าป่าพวกสัตว์ปีกก็บินขึ้นสู่อากาศแม้พญาช้างของพระมหากษัตริย์ซึ่งผูกไว้ด้วยเชือกอย่างมั่นคงในหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงก็ตัดทำลายเครื่องผูกเหล่านั้นจนขาดตกใจกลัวถ่ายมูดคูดหนีไปได้ทางใดทางหนึ่งภิกษุทั้งหลาย พญาราชสีมีฤทธิมม์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหันตตรัส ร, รู้ตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชารจาจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม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 ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นแม้เทพทั้งหลายที่มีอายุยืนมีว น, นะงดงามมีความสุขมากสถิตยอยู่ในวิมานสูงเป็นเวลานานได้สดับทงมรเทศนาของตถาคตแล้วโดยมากต่างก็ถึงความกลัวหวาดวันและสะดุ้งว่า ท่านผู้จเจริญทั้งหลายได้ยินว่าพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงแต่ได้สำคัญตนว่าเที่ยงเป็นผู้ไม่ยั่งยืนแต่สำคัญตนว่ายั่งยืนเป็นผู้ที่ไม่คงที่แต่ได้สำคัญตนว่าคงที่เป็นผู้จเจริญทั้งหลายได้ยินว่าถึงพวกเราจะไม่เที่ยงก็ไม่อย่างลงไม่คงที่ เกี่อนเนื่องอยู่ในสักการะภิกษุทั้งหลายท ถ, ถาคตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีฤทธิมม์มากอย่างนี้มีศัก์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้กว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาได้ตรัสเวญยากรนาพาสินี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า เมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทรงประกาศธรรมจักคือสักกายะความดับแห่งสักกายะและอริยมรรค ม, มีองค์แปดที่ให้ถึงความดับทุกแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเมื่อนั้นแม้พวกเทพที่มีอายุยืนมีวันนะมียศ ฟังคำของพระตถาคตผู้เป็นอรหันต์หลุดพ้นแล้วเป็นผู้คงที่ต่างก็หวาดหวั่นถึงความสะดุง้งดุดเนื้อกลัวราชสีด้วยคิดว่าท่านผู้เจริญทราบว่าพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงยังไม่ก้าวล่วงสักยะสีหสูตรที่หกจบ ขัตชนียสูตรว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกิน79เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อระลึกก็ระลึกถึงรูปอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีรูปอย่างนี้เมื่อระลึกก็ระลึกถึงเวทนาอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีเวทนาอย่างนี้ เมื่อระลึกก็ระลึกถึงสัญญาอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีสัญญาอย่างนี้เมื่อระลึกก็ระลึกถึงสังขารอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีสังขารอย่างนี้เมื่อระลึกก็ระลึกถึงวิญญาณอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูป สลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างร้อนบ้างหิวบ้างกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเสวยอะไรเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้าง มิใช่ทุกมิใช่สุขบ้างเพราะเสวยจึงเรียกว่าเวทนาเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขาร เพราะปรุงแต่งคตตธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมอะไรปรุงแต่งสังคตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปเวทนาโดยความเป็นเวทนาสัญญาโดยความเป็นสัญญาสังขารโดยความเป็นสังขารวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณเพราะปรุงแต่งสังคตธรรมจึงเรียกว่าสังขาร เพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งอะไรจึงรู้รสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสขืองบ้างรสไม่ขืองบ้างรสเค็มบ้างรสไม่เค็มบ้างเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณภิกษุทั้งหลายในข้อนั้น อริยาสาวกผู้ได้สดับพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าบัดนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้ก็เราเองพึงชื่นชมรูปที่เป็นอนาคตแม้ในอนาค ต, ตการเราก็พึงถูกรูปเคี้ยวกิน เหมือนกับที่ถูกรูปที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันบัดนี้เราถูกเวทนาเคี้ยกินอยู่แม้ในอดีตเราก็ถูกเวทนาเคี้ยกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกเวทนาที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้ก็เราเองพึงชื่นชมเวทนาที่เป็นอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกเวทนาเคี้ยกินเหมือนกับที่ถูกเวทนาที่เป็นปัจจุบันเคี้ยกินอยู่ในเวลานี้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความอาลัยในเวทนาที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมเวทนาที่เป็นอนาคต ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกําหนัดเพื่อดับเวทนาที่เป็นปัจจุบันบัดนี้เราถูกสัญญาเคี้ยวกินอยู่บัดนี้เราถูกสังขารเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกสังขารเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสังขารที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้ก็เราเองพึงคืนขมสังขารที่เป็นอนาคต แม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกสังขารเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกสังขารที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความอะไรในสังขารที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมสังขารที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารที่เป็นปัจจุบันบัดนี้ เราถูกวิญญาณเค u, ี al, Grandma, ้ยวกินอยู <noting> ่แ <rated> ม <ometimes> um <ร Fore hand le>้ในอดีตการเราก็ถูกวิญญาณเคี้ยกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเคี้ยกินอยู่ในเวลานี้ก็เราเองพึงชื่นชมวิญญาณที่เป็นอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกวิญญาณเคี้ยกินเหมือนกับถูกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเคี้ยกินอยู่ในเวลานี้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ไม่มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมวิญญาณที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข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 ไม่ถือมั่นเรียรายไม่รวบรวมไว้ทำให้หมอดไม่ก่อให้ลุกพโพลงขึ้นอริยสาวกทำอะไรให้พินาฏไม่ก่ออะไรคือทำรูปให้พินาฏไม่ก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารทำวิญญาณให้พินาฏไม่ก่อวิญญาณละทิ้งอะไรไม่ถือมั่นอะไร คือละทิ้งรูปไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารละทิ้งวิญญาณไม่ถือมั่นวิญญาณเรียรายอะไรไม่รวบรวมอะไรไว้คือเรียรายรูปไม่รวบรวมรูปไว้เวทนาสัญญาสังขารเรียรายวิญญาณไม่รวบรวมวิญญาณไว้ ทำอะไรให้หมอดไม่ก่ออะไรให้ลุกโผล่ขึ้นคือทำรูปให้หมอดไม่ก่อวิญญาณให้ลุกโผล่ขึ้นเวทนาสัญญาสังขารทำวิญญาณให้หมอดไม่ก่อวิญญาณให้ลุกโผล่ขึ้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม่ในรูป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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายพิกษุนี้เราเรียกว่าไม่ก่อไม่ทำให้พินาศแต่เป็นผู้ทำให้พินาศได้แล้วดำรงอยู่ไม่ละทิ้งไม่ถือมั่นแต่เป็นผู้ละทิ้งได้แล้วดำรงอยู่ไม่เรียรายไม่รวบรวมไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วดำรงอยู่ ไม่ทำให้หมอด mm. ไม่ก่อให้ลุกโรลงขึ้นแต่เป็นผู้ทำให้มอดได้แล้วดํารงอยู่อริยสาวกไม่ก่ออะไรไม่ <afford S 1> ทำอะไรให้พินาศแต่เป็นผู้ทำให้พินาศได้แล้วดํารงอยู่คือไม่ก่อรูปไม่ทำรูปให้พินาศแต่เป็นผู้ทำให้พินาศได้แล้วดํารงอยู่เวทนาสัญญาสังขารไม่ก่อวิญญาณ ไม่ทำวิญญาณให้พินาฏแต่เป็นผู้ทำให้พินาฏได้แล้วดำรงอยู่ไม่ละทิง้งไม่ถือมั่นอะไรแต่เป็นผู้ละทิ้งได้แล้วดำรงอยู่คือไม่ละทิ้งรูปไม่ถือมั่นรูปแต่เป็นผู้ละทิ้งได้แล้วดำรงอยู่เวทนาสัญญาสังขารไม่ละทิ้งวิญญาณไม่ถือมั่นวิญญาณแต่เป็นผู้ละทิ้งได้แล้วดำรงอยู่ ไม่เรียรายอะไ ร, ไ ม, ร Banana, ไม่รวบรวมอะไรไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วดำรงอยู่คือไม่เรียรายรูปไม่รวบรวมรูป ไ, ไ, ไ, ไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วดำรงอยู่เวทนาสัญญาสังขารไม่เรียรายวิญญาณไม่รวบรวมวิญญาณไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วดำรงอยู่ ไม่ทำอะไรให้หมอดไม่ก่ออะไรให้ลุกโพรงขึ้นแต่เป็นผู้ทำให้หมอดได้แล้วดำรงอยู่คือไม่ทำรูปให้หมอดไม่ก่อรูปให้ลุกโพรงขึ้นแต่เป็นผู้ทำให้หมอดได้แล้วดำรงอยู่เวทนาสัญญาสังขารไม่ทำวิญญาณให้หมอดไม่ก่อวิญญาณให้ลุกโพรงขึ้นภิกษุทั้งหลาย เทพทั้งหลายพร้อมทั้งอินพรหมและท้าประชาบดีย่อมนมัส ก, การภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอาชานายัยขอความนอบน้อมจงมีแ ด, ด่ท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษสูงสุดขอความนอบน้อมจงมีแ ด, ด่ท่านที่พวกเราไม่รู้ว่าท่านอาศัยอารมณ์อะไรเล่า ถึงเข้าถึงฌานอยู่คาชิยะสูตรที่เจ็ดจบ 8. ปปินนัทโทรยะสูตรว่าด้วยการเที่ยวบินทบาตเลี้ยงชีพ8ปดสิบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัฒ์แคว้นสักกะครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์เพราะเหตุบางอย่างแล้วเวลาเช้าทรงครองอัตราวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงกบิลพัทเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกิจฐารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อประทับ พ, พักผ่อนกลางวันครั้นเสด็จถึงแล้วได้ประทับนั่งนักโคนต้นมะตูมนม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกริ้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรำพึงว่าเราเองได้ขับไล่ภิกษุสงไปแล้วในภิกษุเหล่านี้มีพวกภิกษุใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงเหมือนลูกโคน้อยเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะพึงเป็นอื่น เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นและเหมือนพืชที่ยังอ่อนๆขาดน้ำพึงเหี่ยวเฉาไปฉะนั้นทางที่ดีเราพึงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยอนุเคราะห์มาแล้วในครั้งก่อนๆเถิดขณะนั้นเท้าสห บ, บดีพรมได้ทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงหายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาค เหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าเะนั้นคลั้นแล้วเท้าเธอห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ทรงขับไล่ภิกษุสง์ไปแล้ว ในภิกษุเหล่านี้มีพวกภิกษุใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นพระผู้มีพระภาคก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปเหมือนลูกโคลน้อ ย, อยเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นและเหมือนพืชที่ยังอ่อนๆขาดน้าพึงเหี่ยวเฉาไปฉะนั้น ขอพระผู้มีพระภาคโปรดชื่นชมภิกษุสงฆ์โปรดพร่ำมสอนภิกษุสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยอนุเคราะห์มาแล้วในครั้งก่อนๆเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุดสนีภาพลำดับนั้นเท้าสห บ, บดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอารัธนาแล้วจึงถวายอภิวาส กระทำปะทักศิลแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกร้นในเวลาเย็นได้เสด็จเข้าไปยังนิคโครทารามประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูราดไว้แล้วทรงบันดาลด้วยอิทธาพิสังขารให้ภิกษุเหล่านั้นเกรงกลัวเข้าไปเฝ้าทีละรูปบ้างสองรูปบ้างต่างถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งนัที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการที่ภิกษุทุศีลเที่ยวบินทบาตเลี้ยงชีพนี้เป็นการกระทาที่ไม่ต่าซามการที่ภิกษุทุศีนประพฤติเช่นนี้ยอมถูกชาวโลกด่าว่าเจ้าคนนี้อุ้มบาทเที่ยวขอชาวโลกมาเลี้ยงชีพกุลบุตรต่างเป็นผู้ตรหนักในเหตุ อาศัยความตระหนักในเหตุจึงเข้ามาใช้ชีวิตเที่ยวขอก้อนข้าวนี้มิใช่ถูกพระราชารับสั่งให้นําไปจองจำํำมิใช่ถูกพวกโจร น, นําไปกักขังมิใช่เป็นลูกหนี้มิใช่ตกอยู่ในห่วงอันตรายมิใช่จะยึดเป็นอาชีพแท้ที่จริงกุ่บุตรเหล่านั้นเข้ามาบวช ด, ด้วยเหตุผลว่าพวกเราต่างถูกชาติความเกิด ชราความแก่มรณะความตายโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ครวญทุกความทุกข์กายโทมนัตความทุกข์ใจและอุปยาตความคับแค้นใจทับถมครอบงำจมปลักอยู่ในทุกข์สารวนอยู่กับทุกข์ทำอย่างไรเล่า การทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จึงจะปรากฏได้คุณบุตรนี้เป็นผู้บวช ด, ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วนี้แต่แล้วคุณบุตรนั้นกลับเกิดความละโมบ ok. กำนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทคิดประทุษร้ายหลงลืมสติไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกระสับกระสายไม่สำรวมอินทรีย์ บุคคลผู้เสื่อมจากโภคะของคฤหัตและไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์สำหรับความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้เราเรียกว่าเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าไฟไหม้ทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดย่อมไม่อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือนทั้งไม่อำนวยประโยชน์เป็นอุปกรณ์ในป่าภิกษุทั้งหลายอากุศลวิตกษามรการนี้ 1. กรรมวิตกความตรึกในการ 2. พยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทสาวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนอกุศลวิตก3สาประการนี้ดับไม่เหลือที่ไหนคือเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่ประการหรือเจริญอนิมิตตสมาธิอกุศลวิตก3ประการย่อมดับโดยไม่เหลือ อันิมิตรสมาธิควรแท้ที่บุคคลจะเจริญอนิมิตสมาธิที่บุคคลเ จ, จริญ ท, ท, ทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองประการนี้คือหนึ่งภวทิฏฐิความเห็นในภพบ 2. วิภวทิฏฐิความเห็นในวิภพ อริยสาวกผู้ได้สดับพิจารณาเห็นในทิฏฐิสองประการเช่นนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นมีอยู่ในโลกบ้างไหมเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นไม่มีในโลกเลยก็เราเมื่อยึดถือเพียงยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเอง เพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีแก่เราเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาามรณโะโศกะปริเทวะทุกโ ท, ทมานต์และอุปยาธจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเทียงหรือไม่เทียง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 หรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นนัทโทรยะสูตรที่8ปดจบ 9. าปริระยะสูตรว่าด้วยปาปริระยะกะ แปสอสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นโคสิตารามเหตุกรุงโกสัมพีคลั้นในเวลาเช้าทรงครองอัตราวาศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงโกสัมพีเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกิาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงามเสนาสนะด้วยพระองค์เองถือบาทและจีวรไม่ได้ทรงรับสั่งกับพวกอุปทาษ ไม่ได้ตรัสอำลาภิกษุงสงฆ์เสด็จจากไปพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตามลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จจากไปไม่นานได้เข้าไปหาท่านพระ อ, อนนท์ถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระ อ, อนนท์ดังนี้ว่าท่าน อ, อนนท์พระผู้มีพระภาคทรงเก็บงามเสนาสนะด้วยพระองค์เองถือบาทและจีวรไม่ได้ทรงรับสั่งพวกอุปถา ไม่ได้ตัดอำลาภิกษุงสงฆ์เสด็จจาริกไปพระองค์เดียวท่านพระ อ, อนุนได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุสมัยใดพระผู้มีพระภาคทรงเก็บนำเสนาสนะด้วยพระองค์เองถือบาทและจีวรไม่ได้ทรงรับสั่งพวกอุปถาคไม่ได้ตรัดอำลาภิกษุงสงฆ์เสด็จจาริกไปพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตามสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะประทับอยู่เพียงลำพังจึงไม่ควรที่ใครๆจะพึงติดตามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงป่าป า, ปาลิเลยะกะทราบว่านที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคนไม้รังอันงามต่อมาภิกษุจานวนมากเข้าไปหาท่านพระอ น, นุนถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พากันกล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์นานมาแล้วที่พวกผมได้ฟังธรรมิกถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคท่านอานน์พวกผมปรารถนาที่จะฟังธรรมิกถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท่านพระอานน์พร้อมด้วยภิกษุเหล่านั้น พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณโค้นไม้รังอันงามในป่าปะลิเลยะกะถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอสวะทั้งหลายก็สิ้นไปโดยลำดับพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของภิกษุนั้นด้วยพระทัยจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้แสดงธรรมโดยการวิจัยแสดงสติปฐานสี่ประการโดยการวิจัยแสดงสัมมาปทานสี่ประการโดยมีการวิจัยแสดงสัมมัปทานสี่ประการโดยการวิจัย แสดงอิทธิบาตสประการโดยการวิจัยแสดงอินรีห้าประการโดยการวิจัยแสดงพละหประการโดยการวิจัยแสดงพชชง7ประการโดยการวิจัยแสดงอริยมรตมีองค์8โดยการวิจัยภิกษุทั้งหลายเราได้แสดงธรรมโดยการวิจัยเช่นนี้ทำอันเราแสดงแล้วโดยการวิจัยเช่นนี้ แต่ก็มีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ยังเกิดความคิดคำนึงว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายก็สิ้นไปโดยลำดับเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตตบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตตบรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาก็การพิจารณาเห็นนั้นจัดเป็นสังขารสังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดคือสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ผู้ถูกความเสวยอารมณ์ที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเพราะเหตุนั้นแม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจ <connect> จัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้เวทนานั้นแม้ผัสสะนั้นแม่อวิชชานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปั จ, จัยเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับปุถุชนไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาแต่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปก็การพิจารณาเห็นนั้นจัดเป็นสังขารสังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด คือสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ถูกความเสเวยอารมณ์ที่เกิดจากอาวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเพราะเหตุนั้นแม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นแม้เวทานานั้นแม้ผัสสะนั้นแม้อวิชชานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 จะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, ก็ ส, ะสะตะัตสติตินั้นจัดเป็นสังขารสังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อสวะ ท, ทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลําดับปุตุชนไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญา ไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาทั้งไม่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตกับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรแต่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมี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 แม่ภาษะนั้นก็ไม่เทียงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้อวิชานั้นก็ไม่เทียงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นภิกสุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับปาริลายสูตรที่เก้า สิปุณณมสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง 82. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเหตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15้าค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวง พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสง์แวดล้อมประทับนั่งในที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าพระองค์ขอทูลถามเหตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประธานวรโรกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งบนอาสนะของตนและถามปัญหาที่เธอต้องการจะถามเถิดภิกษุนั้นทูลรับพระดำรัสแล้วนั่งบนอาสนะของตนที่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ อ, อุปทานขันห้าประการนี้ใช่ไหมคือหนึ่งรูปูประธานาขัน อุปทานขันคือรูป 2. เวทนาอุปทานขันอุปทานขันคือเวทนา 3. สัญญาอุปทานขันอุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณอุปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณภิกษุอุปทานขันห้าประการนี้แหละคือ หนึรูปูประธานาขันห์ 5. วิญญาณูประธานาขัน์มูลเหตุแห่งอุปทานาขันห้าประการภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานาขันห้าประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุภิกษุ อุปทานอันารห้าประการนี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุอุปทานกับอุปทานอันา์หประการเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าอุปทานเป็นอย่างอื่นนอกจากอุปทานอันาห้าประการพระพุทธเจ้าข้าอุปทานกับอุปทานอันาห้าประการเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่ทั้งอุปทานเป็นอย่างอื่นนอกจากอุปทานอันาห้าประการก็ไม่ใช่ แต่ฉันทราคาในอุปทานอาคารห้าประการนั้นเป็นตัวอุปทานฉันทราคาในอุปทานอาคารห้าประการภิกษุนั้นได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็ฉันทราคาต่างๆในอุปทานอาคัรหประการจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงมีได้ภิกษุแล้วได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตตการขอเราพึงมีรูปเช่นนี้มีเวทนาเช่นนี้มีสัญญาเช่นนี้มีสังขารเช่นนี้มีวิญญาณเช่นนี้ภิกษุฉันทราคาต่างๆในอุปทานอคติห้าประการจะพึงมีได้อย่างนี้แลเหตุที่เรียกว่าขัน ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ขันจึงชื่อว่าขันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเร็วหรือประณีตใกล้หรือไกลก็ตามนี้เรียกว่ารูปขันเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเร็วหรือประนีตไกลหรือ ใ, ใ, ใ, ใกลในในใ้ก็ตาม นี้เรียกว่าวิญญาณขันพิกสุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขันจึงชื่อว่าขันเหตุปัจจัยแห่งขันพิสษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าสาธุพระพุทธเจ้าข้าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ, อ, อ, อะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้รูปขันปรากฏอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้เวทนาขันปรากฏอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้สังขารขันปรากฏอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้วิญญาณขันปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุปัจจัยทําให้รูปขันปรากฏ ผัสสะเป็นเหตุปัจจัย <tur> ทําให้เวทนาขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุปัจจัยทําให้สัญญาขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุปัจจัยทําให้สังขารขันปรากฏนามรูปเป็นปัจจัยทําให้วิญญาณขันปรากฏเหตุเกิดสกฤตทิฏฐิภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ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 ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอ <teen> ัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุสักยะทิฏฐิมีได้อย่างนี้เหตุไม่ให้มีสักยะทิฏฐิภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักยะทิฏฐิ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 ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุสักยะทิฏฐิมีไม่ได้อย่างนี้คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานคันภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าขา่าและได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุสภาพที่สุขสมนัตอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมที่เป็นกำลังจัดฉันธราคะธรรมที่เป็นชันธราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่สุคสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นอาศัยสัญญาเกิดขึ้นอาศัยสังขารเกิดขึ้นสภาพที่สุคสมนัตอาศัยวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้น นี้เป็นคุณของวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของวิญญาณทาเป็นที่กําจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณความไม่มีอาหางการมะมังการและมานานุสัย ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าข้าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอาหางการ ม, มังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึง่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุนั้นพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เราเราไม่เป็นนั่น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 ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงจะไม่มีอหังการมะมมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอก กรรมที่อนัตตกระทําถูกต้องอัตตาสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าท่านผู้เจเริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตกระทําจกถูกต้องอัตตาได้อย่างไรครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของภิกษุนั้นด้วยพระทัยแล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่โมคะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่รู้แจ้งตกอยู่ในอำนาจของอวิชชามีใจถูกตันหาครอบงำจะพึงเข้าใจสัจธรรมว่าเป็นคำสอนที่ควรคิดให้ตระหนักว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตากระทําจกถูกต้องอัตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเราได้แนะนำเธอทั้งหลายไว้แล้วด้วยการสอบถามในธรรมเหล่านั้นในบาลีนั้นๆภิกษุทั้งหลาย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 ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแลอริยสาวกผู้ได้สดาบเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมีภิกษุทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคในเรื่องต่อไปนี้ คือหนึ่งเรื่องขันห้าสองเรื่องมูลเหตุแห่งขันห้าสามเรื่องฉันทราคะสี่เรื่องชื่อของขันห้าห้าเรื่องของปัจจัยแห่งการบัญญัติขันห้าหกเรื่องสักยทิฏฐิเจ็ดเรื่องเหตุไม่มีสักยทิฏฐิ 8. ปเรื่องคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากขันห้า เเรื่องไม่มีอาหางการมะมังการและมานานุสัย 10. เรื่องกรรมที่อนัตตากระทำถูกต้องอัตตารวมปัญหาที่ทูลถาม1ิบข้อด้วยกันปุญณมาสูตรที่ส0บจบขัจฉนิยกวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอัสธาสูตร สสมุททยาสูตรสามทุติยสมุททยาสูตรสี่อรหันตสูตรห้าทุติยอรหันตสูตรหกศีหาสูตรเจ็คัจจเนียสูตรแปปินโทลยาสูตรเก้าปริเลยาสูตรสิบปุณณะสูตร